มีอาจารย์คนหนึ่งนะทำสมุดบันทึกสำหรับเด็กแต่เป็นสมุดบันทึกที่น่าสนใจนะแล้วก็แปลกคือบันทึกอารมณ์ของตัวในแต่ละวันหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะมันก็เริ่มต้นนะด้วยการพูดถึงแมวเหมียวตัวหนึ่งนะแมวตัวนี้ก็เหมือนกับหนูหนูนะ นี่เขาเขียนไว้ในหนังสือนะแม่ตัวนี้ก็เหมือนกันหนูก็คือมีอารมณ์ที่หลากหลายในแต่ละวันบางครั้งก็มีความโกรธเวลาถูกพ่อแม่ต่อว่าบางทีโกรธจนกระทั่งเครี้ยงปาาข้าวของแต่บางทีก็เศร้านะเวลาแม่ไม่ให้ดูการ์ตูนพอได้เวลานอน บางครั้งก็ดีใจนะได้เจอเพื่อนเพื่อนได้เล่นสนุกสนานกันแต่พอเล่นกันนานๆก็เบื่อนะเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาบางครั้งก็เกิดความกลัวเวลาเจออะไรที่ไม่รู้จักหรือสิ่งที่ยากเป็นเรื่องที่ท้าทายก็พูดถึงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ในสมุดเล่มนั้นนี่ก็มี รูปแมวเหมียวที่อยู่ในอารมณ์ต่างๆก็ให้เด็กเนี่ยสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นแมวเหมียวนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็ให้ระบุว่าตอนนี้อยู่ในอารมณ์ไหนหรือมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นที่เด่นๆ น, นะเช่นโกรธกลั ว, ลวเบือ่อเศร้าดีใจแล้วก็รักด้วย เสร็จแล้วก็ทามากกว่านั้นนะคือให้เด็กลองพิจารณาว่าอะไรหรือใครที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพียงแค่สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวในแต่ละวานแต่ให้คิดต่อไปพิจารณาต่อไปว่าเนี่ยเกิดเพราะอะไรหรือเป็นเพราะใครแล้วก็มี ข้อความให้เติมนะว่าเนี่ยวันนี้อยากจะขอบคุณใครหรืออยากจะขอบคุณอะไรแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ให้เด็กเนีลองพิจารณาว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกดีๆหรือมีความสุขเกิดขึ้นหรือไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรามีความสุขนะ ทั้งหมดนี้เนะ่ก็ภายในหนึ่งหน้านะซึ่งแน่นอนลนะ้วก็ต้องอาศัยพ่อแม่นี่ช่วยช่วยให้เด็กเนี่ยนะระบุว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วก็เขียนข้อความที่ทำให้เห็นชัดว่านเนี่ยที่มีอารมณ์แบบนี้เพราะอะไรหรือเพราะใครเนี่ยทาทุกวันําทุกวันนะอันนี้ก็ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะเชิงร่วงท ด, ทดลองอยู่แต่ก็น่าสนใจนะความคิดเนี่ยคือการที่ทำให้หรือช่วยให้เด็กเนี่ยเขาได้มาสังเกตอารมณ์ของตัวถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทํทำให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวเองเด็กเล็กเนี่ยที่จริงอยว่าเด็กเล็กเเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยการรู้จักตัวเองเป็นเรื่องสาคัญนะ และสิ่งเหล่านี้เนี่ยและสิ่งเนียมันเริ่มต้นได้จากการแนะนำตั้งแต่วัยเด็กนะบางทียังเรียนอนุบาลอยู่ก็สอนได้นะให้เขารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองนี่ก็คือรู้จักอย่างง่ายๆคือรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในอารมณ์ไหนหรือว่ามีอารมณ์ความสึกอย่างไรในแต่ละช่วงหรือในแต่ละวันนะ พ่อแม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการรู้จักตัวเองหรือการรู้ตัวไปอยากอยากจะให้ลูกๆเนี่ยรู้วิชาความรู้นะรู้วิชาการคิดแต่ว่าเนี่ยจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนไหนที่จะทําให้ลูกเนี่ยมีวิชาการหรือมีความรู้ทางวิชาการได้ดีขึ้นหรือว่าเก่งกว่าคนอื่น ส่วนใหญ่ก็คิดกันแบบนี้เดี๋ยเพราะยิ่งท่านมีเงินนะพ่อแม่มีความรู้จบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอก็อยากจะให้ลูกเนี่ยมีความรูนะ้วิชาการมากๆดีหน่อยคือว่าอย่าให้ลูกเนี่ยรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะอันนี้ดีหน่อยนะคือรู้แค่วิชาการไม่พอหรือวิชาชีพไม่พอนะมันต้องรู้ผิดชอบชั่วดี แต่รู้เทานี่ไม่พอมันต้องรู้ตัวด้วยหรือรู้จักตัวเองด้วยเพราะถ้าไม่รู้ตัวปล่อยให้อารมณ์ข่มงำไม่ว่าจะเป็นความโศกความเศร้าความโกรธความกลัวความโลภนะไอ้วิชาการวิชาความรู้ที่มีเนี่ยบางทีก็เอามาใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้เอามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาตัวเพราะมันเอามาใช้ไม่ได้นะ ไปโรคซึมเศร้าเนี่ยนะหรือว่าอกหักเนี่ยนะจะเอาความรู้ทางโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่มาช่วยเนี่ยแก้ทุกเนี่ยมันยากนะหรือว่าทำไม่ได้เลยในตอนเดียวกันนะแม้จะรู้ผิดชอบชดีรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่ว่าถ้าลืมตัวหรือว่ากำลังโกรธหรือว่ากำลังหน้ามืดนะเพราะความโลภ ไอ้ความรู้ผิดชอบชั่วดีมันลืมหมดเลยเอามาใช้เพื่อหักห้ามใจไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่เลวร้ายไม่ได้เลยอย่างที่มีคำพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าลืมตัวเพราะปล่อยให้ความอารมณ์ต่างครอบงำนะเพราะเนี่ยจะรู้วิชาการก็ดีจะรู้ผิดชอบชั่วดีอันนี้ดีแล้วแต่ว่าต้องรู้ตัวหรือรู้จักตัวเอง อย่างน้อยก็รู้ว่ากาลังตัวเองกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนหรือว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจของตัวตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะรู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ใดหรือกับรู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจของตัวมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะรู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ใดเนี่ยมันก็เข้าไปเป็นก็เข้าไปเป็นลแต่ว่ารู้ว่ามีอารมณ์ใด อยู่ในใจของตัวนีอันนี้เรียกว่าเห็นนะมันต่างกันนะ้ะหว่างเป็นกับเห็นแต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ใดเพราะว่าผู้ใหญ่นี่จำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เลยนะพอถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงตอบไม่ได้สิ่งที่ตอบเป็นความคิดหมดเลยแต่ไม่สามารถจะตอบ ความรู้สึกได้ว่าเศร้าเบื่อหงุดหงิดว้าวุ่นเซงหรือว่าเบื่อนายผู้ใหญ่จำนวนมากนี้ตอบไม่ได้ตอบได้แต่ความคิดนะเวลาถามว่ารู้สึกยังไงก็ตอบเป็นความคิดหมดรู้สึกว่าตอนนี้นะรถมันติดมากเลยหรือว่ารู้สึกว่า ร่างกายมันอ่อนแอนะอันนี้ยังดีหน่อยเนี่เป็นความรู้สึกนะแต่ว่าที่ตอบายอย่างเป็นความคิดนะแล้วถ้าเด็กเนี่ยเขารู้จักความรู้สึกของตัวมันช่วยได้นะช่วยทำให้หลุดจากการครอบงนของความรู้สึกได้มีเด็กสามขวบนะเสียใจายมากเลยนะลูกกบตัวเล็กๆน่ารักตายนะ กบสวยด้วยนะกบแฟนซีมั้งเด็กก็เศร้าแม่ก็บอกลูกว่าอย่าไปเศร้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่หาซื้อหใหม่ให้หรือไม่ก็บางทีแม่ก็บอกว่าเนอคนเรามันเกิดมาแล้วก็ต้องตายพูดยังไงเนี่ยนะอ้างเหตุผลยังไง อ้างสัจธรรมยังไงเด็กก็ไม่หายเศร้าจงทั่งแม่บอกว่าเนี่ยหนูเศร้าใช่ไหมหนูเศร้าที่ลูกกบตายใช่ไหมเด็กก็พยักหน้าแล้วแม่ก็นั่งอยู่กับลูกเงียบๆสักพักเนี่ยเด็กก็นะลุกขึ้นมานะแล้วก็หายเศร้าเวลาเด็กมีความสึกยังไงเนี่ยจะไปบอกว่าอย่าไปเศร้า อ, อย่าไป โกรธจะไปเสียใจนะแต่ว่าสะท้อนให้เด็กเขารู้ว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนถ้าเขาโกรธแม่เขาโกรธยายก็ให้เขารู้ว่าเนี่ยเขากำลังโกรธแม่โกรธยายนะไม่ใช่บอกว่าอย่าโกรธ อ, อยา่าโกรธเวลาเขเจ็บก็อย่าบอกว่าจะเจ็บจะเจ็บไม่เจ็บนะหกล้มเนี่ยบอกไม่เจ็บนะแต่บอกให้เด็กรู้ว่าเออหนูกาลังรู้สึกเจ็บใช่ไหมนะวันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะมันช่วยทําให้เด็กเนี่ยออกจากอารมณ์ ที่กำลังสร้างความทุกให้กับเด็กได้แต่ต่อไปเนี่ยนะสอนให้เด็กเนี่ยเขารู้จักสังเกตอารมณ์ของตัวเองไม่ต้องมีแม่หรือพ่อเป็นตัวสะท้อนอย่างมีเด็กคนหนึ่งนะอายุสิบสองเนี่ยวันหนึ่งกลับไปบ้านก็บอกว่าแม่หนูอยากได้ของเล่นชนิดหนึ่งจังเลยอะไรล่ะ อันนั้นเรื่องนี้มันก็12ปี15ปีไปแล้วนะเดยว ก, ก็บอกอยากได้ไมโครโฟนที่เวลากดแล้วเนี่ยมันร้องเพลงได้เหมือนกับว่ากําลังร้องเพลงจริงๆสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะแม่ก็ถามว่าเท่าไหร่เดี๋ยวก็ตอบสี่ร้อยโอ้เป็นแพงสําหรับครอบครัวนี้นะไม่เคยให้เด็กมากขนาดนะั้นแม่ก็มีทางเลือกอยู่2ทางนะปกตินะก็คือว่าตามใจลูก หรือไม่ฉะนั้นก็ห้ามลูกเลยแต่แม่คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะบอกว่าถ้าลูกอยากได้แม่ก็จะช่วยนะแต่มีข้อแม่อยู่2ข้อนะนแม่จะหักเงินลูกนะค่าขนมวันละครึ่งหนึ่ง2ทุกเย็นเนี่ยเวลาลูกกลับไปบ้านเนี่ยให้ลูกแวะไปที่ร้านนั้นดูของชิ้นนั้นแล้วก็ดูใจไปด้วยนะสังเกต ใจของตัวไปด้วยนะเด็กก็ยินดีรับปากนะเด็กก็ทำทุกวันเลยก่กอนกลับบ้านก็แวะที่ร้านดูของแล้วก็ดูใจของตัวดูสังเกตความอยากพอถึงวันที่สีเนี่ยนะเด็กก็บอกแม่ว่าหนูไม่เอาละของเล่นเนี่ยเอาทำไมละ่ะเบื่อแล้วนะหนูไม่อยากได้ลวเอาเงินสี่ร้อยเนี่ยไปซื้ อ, อยางอื่นดีกว่า ความอยากของเด็กนี่หายไปเลยนะทั้งที่ตอนแรกนี่อยากได้มากนะจนกระทั่งแม่เนี่ยรู้เลยห้ามไม่ได้แต่ว่าพอเด็กได้มาดูสังเกตความอยากของตัวเนี่ยไอ้ความอยากก็ค่อยๆละลายหายไปนะเพราะว่าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นนะถ้าไปเห็นมันไปสังเกตมันนี่มันจะค่อยๆละลายหายไปเลยแม่ก็รู้นะว่าถ้าให้เด็กดูสังเกต ความอยาเนี่ยความย่ำก็จะอยู่ไม่นานแล้วเด็กก็ในสุดก็รู้นะความย่มก็ชั่วคราวถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือรู้ทันมันมันก็อยู่ไม่ได้นานงั้นการรู้จักอารมณ์ของตัวเองเนี่ยหรือการรู้จักตัวเองนี่สำคัญนะต่อชีวิตของเด็กมากเลยแล้วก็สาหรับผู้ใหญ่ด้วยถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยก็จมอยู่ในความทุกข์หรือว่าตกอยู่ในน้ากิเลสได้ง่าย